240อธรรมกรรมมาธิกถาว่าด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นต้นเรื่องการลงอุเขปนิยกรรมที่ไม่ชอบธรเจ็กรณี397ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงเห็น สงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจดภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตนั้นไหมภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงเห็นสงจึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ ชื่อว่ากรรมไม่ชอบทมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัตที่พึงทาคืนสองภิกษุทั้งหลายภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์พิษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้ว จงทำคืนอาบัตินั้นพิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงทําคืนสงจึงลงอาบัตอุกเขปนยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทําคืนอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทำรมภิกษุทั้งหลายงันหนึ่ง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 โจ์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้วเห็นอาบัตนั้นไหมจงทําคืนอาบัตนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นผมไม่มีอาบัตที่พึงทาคืนสงจึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต หรือเพราะไม่ทาคืนอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัตที่พึงเห็นไม่มีทิฏฐิบาป พ, พึงสลักสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจดภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้ว เห็นอาบัตนั้นไหมท่านมีทิฏฐิบาปจงสลัทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสลักสงจึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตหรือเพราะไม่สลักทิฏฐิบาป ชื่อว่ากรรมไม่ชอบทรรมภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงทําคืนไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัติแล้วจงทําคืนอาบัตินั้น ท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงทำคืนผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัตหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรม ไม่ชอบทำภิษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัตที่พึงเห็นไม่มีอาบัตที่พึงทําคืนไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสลักสงภิษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์พิษุนั้นว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้ว เห็นอาบัตินั้นไหมจงทาคืนอาบัตินั้นท่านมีทิฏฐิบาปจงสลทัทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นผมไม่มีอาบัตที่พึงทาคืนผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสลัสงจึงลงอุเขปเนียกรรมภิกษุนั้น เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเพราะไม่ทำคืนอาบัตหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรม